มันมีหลายเรื่องที่ ย, ยกตัวอย่างให้ทาา่านฟังมีหลายเรื่องหลายอย่าง้วยการมีแรีขอเจริญพรญาติโยมผู้ท า, าทากรรมฐานขอให้ทำให้จริงจริงทำแล้วก็แผ่เมตตาออกไปอย่าไปแผ่อกุศลกรรมไปคนอื่นเขาอย่าเอาความชั่วไปให้เขาเลยเอาความดีไปอาเธอเราก็ดีอย่างพฤติกรรม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 ต้านใจเรียนเนี่ยขอบอกท่านแล้วเนี่ยทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบแล้วก็ทำด้วยความถูกต้องแล้วก็ทำด้วยเหตุผลต่างสติปัญญากรรมฐานก่อนก่อยเดินเนืองงานรับรองไม่เสียหายแต่ประการไดเลยขอจเจริญพร อ, อย่างนั้นบางคนก็ไม่ทำก็เล้วไปเนี่ยไปเรียนอยู่ที่ กรุงปริสฝังเศลูกของอดีตอธิการบดีไม้รา ย, ายกรเกษรศาส์บางเถินตมาเดินทางไปยุโรปภาพระเทนตไปเจอลูกสาวเขาที่ลอนดอนไปต่อปัญญาโทเอกอถึงปัญญาเอกเนี่ยไปเชียบเวลาทังหลายเดือนอตมาเดินทางไปก็เจอเธอที่ก ร, รุงปารกลุงลอนดอนบอกหนูมานี่สิ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 แล้วได้ความเชี่ยวชาญได้ชำนาญการด้วยมาสองวันมามาเยี่ยมกลับไปที่นี่ก็เพลียมวิญญาณิพนธ์ส่งเรียบร้อยก็จะกลับมาเนี่จบปริญญาเอกมี่แหละท่านทั้งหลายจเจริญกรรมฐ า, านมันมีประโยชน์มาจะวามันนั่ ง, งกันจะไปสวรรคนิพพานไปบวชชีพราหมณ์ไปอย่างนั้นแล้วกลับมาสอนผัวกันตามบ้าน มันคงจะเป็นไปได้ยากทำอะไรก็ทำให้มีมความจริงใจเนีย่ยจะมาเพิงบอกว่าทำด้วยความตั้งใจได้ไหยทำด้วยความเคารพพูดมานานแล้วเขาไม่เข้าใจเคารพตัวเองพูดแล้วต้องทำย้ายตัวเองหละหล้วมหละแหละเหนิยวหลายเป็นมนุษย์บุรุษโคม้อยพูดแล้วสับปรับตรงนี้ไม่เคารพตัวเองเลยนะสองต้องเคารพพ่อแม่ด้วย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 ลูกทางคนนี้จะเรียนแพทย์หรือเรียนหมอแล้วเรียนเป็นอายการโดยผู้ปากษาก็คงไม่ผิดจะไม่เสียจังหวะลูกของเราด้วยในที่พูดนี่ตารทำเราอย่างน้อยก็ขอให้ไฟติดต่อั้ชั้ๆจากซากๆบ่อยๆครัแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเองไม่ใช่ว่าเรียนมหนึ่งถึงมหกเรียนปีเดียวจบเนี้ยวเวลามานั่งกรรมาฐานกันแค่สองสามชั่วโมง และมันจะได้ผลหรือต้องทําไปบ่อยๆกลับไปชำนักงานกลับไปรับเิติการหรนี้จะไปบ้านพิหากสถานของท่านก็ต้องกำหนดอยู่เพราะไอ้ลมหายใจมันมีอยู่แล้วก็ต่างสติว่าที่ลมหายใจทำอะไรก็ทําฉยชาหายใจยาวๆท่านจะได้มีสติคิดมีสติแก้ไขปัญหามีปัญญาไว้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 เจอจ่องคนสามีพระอาไม่ใช่ไม่ใชผัวเมียแฟนแฟนแฟนคือลายโยมรู้ไหมนะแฟนแปว่ายนะพูดกันยังไงเนี่ยแฟน๋ยวไม่รู้กันยังจะพูดว่าคนก่าแต่วอย่ามาพูดแฟนน่นก็ผัเมียผวเมียที่ไหนแฟนแปลวพัด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 อตาตมาก็หลบไปอยู่ข้างๆเพื่อฟังนันไอ้ฝ่ายผู้ชายก็กราบกรๆมองหน้าหลวงพ่อว่าเลยขิงหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็ไม่ลปะปากหลวงพ่อก็นั่งละหลับตาเฉยท้องปิดหน้าเป็นแถวหมดหลวงพ่อก็เฉยพร้อมนี่เนี่ยเอาชีวิตไปเดิน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 ยอมผู้หญิงนี่ขอประานโทษ ย, ยอมยอมไหมตายแทนสา ม, มีได้ไหมถามจริงได้ไหมฮะ ไ, ไม่ได้ก็อย่าหิงเสีอย่าหิงเสียเนี่ยแต่ตายแทนะลยแล้วยอมผู้ชายถามจริงตายแทนได้ไหมฮะพูดเอาเรื่องจริงมาพูดกันแจ้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 ตามากลับจากว่าเลยถิงมาได้สักเดือนเลยมั้งตุลามาอะตุล า, าพามพวกมาที่นี่พุทธศาสตร์ประดิษฐ์อ้าม่าย่ชมรมพุทธศาสตร์มาตามาก็ลงมาบรรยอยจํำชักเลยนั่งนาเลยคู่นีนั่งนาเลยใช่าเาะอะนั่งนาใส่เสื้อแดงป้าดเลย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 หลวงพ่อวันนี้ยานสูงรู้วกาทั่งที่เราไปปฏิญาณตนคัิทวัลลีิงมันโง่ทำไมไม่รู้ล่ะค่ะไปแอบถังเอิอนไพูด อ, อย่างนั้นมันก็เสียเื่อยนี่วัลลีิงเนี่ยเขาอบรมนักบริหารเขามีหมดไปเป็นยากร อ, อบรมเครียดเลยเครียเป็นอบรมชอบประจสอบประแจเนี่ย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 จะเอาแต่วจตัวเองตลุงนี่ชอบว่าจแย่ไม่หนักตาลุงลุงแดงพี่น้องมาจ้าปู่ก็มาถามไม่เฉหมดลูกก็ไม่มีลูกไงไม่มีเปลาหรืจะไม่มีลูกนะอ้าวถูกแล้วตาลุงเขาไม่ชอบมีลูกแต่เขาอยากได้มันไม่มีเองเขาบอก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 ไม่ไม่เอออวยด้วยล่ะแหม่เนี่ยอรตามาถ้าพูดแทนได้นะก็จะไปอยู่ข้างล่งท่านฮัลโหลกูไม่เห็นด้วยโว้ยฮัลโหลกูไม่เห็นด้วยวยอาไร ม, มันจะมาไปอะมะรัากกันเนี่ยไปทำอย่างนี้ได้เนดะัญญาแต่ได้นะเอ่าสาบันใ่ย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 และบอกทูกถูกด้วยถูกจีนซะด้วยเชิงกลาอะไรยังบอกเลยแลยมันหาว่าแมมไม่ได้หลวงพ่อวัดนี้ยามสูอยู่วัดพมวันยังรู้ว่าเราไปวัดไรถิ่นกันนะถ้าจริง่มันไม่รู้หรอกว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะมันไม่รู้เรื่องของเราเนีเลยผลท้ายไม่ได้กัน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 ต่อไปไม่สนใจเรื่องพวกนี้ขํานาระบานแล้วเอาเดิมพันเอาชีวิตมาตายแทนหนูได้แล้วมันยังทิ้งหนูไปมีชีวิใหม่ได้เนี่ยแล้วจะทำไมหนอะหลวงพ่อวัดทิงไม่ไปหักคอมันล่างก็หลวงพ่อวัดทิงงกาเป็นพระพรไปทํำลายคนอื่นได้แล้วนี่ยพไปหักคอได้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 อาตมาก็ยองดูอย no, no. ู่ที่หัวนอนแบงเป็นเปิร์กเลยแล้วอาตมาก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไม่ประโยชน์นะเดินจงกรมไม่ประโยชน์เดินจงกรมดีขวาย่างหนอซายย่างหนอมาแล้วก็เดินเดินตายายทางมา โกโลนน้อยหลับถ้าเดินปึ้งๆมาย้ายตื่นใช่ไหนี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์เดินจงกรมเดินเรือนเบาๆอย่าเดินหลังนะถ้ามาก็ย่องๆไปมองดูยาดฟีฟิฟฟแล้วโกโลนด้วยเราก็หยิบหนอหยิบหนอห้าร้อยบาท ขอร้อยไม่ให้เอา500ยหยิบหนอแล้วก็มาใส่กระเป๋าหนอแล้วก็ย่องลงไปย่องลงไปลงกระไดเสร็จแล้วก็หมูขึ้นมาดูยายยังนอนฟืดดูเคลิบไปตลาดซื้อเครื่องครบกระเป๋าด้วยเครื่องเคเสือซื้อมาก็มาเก็บ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 สมาก็าได้เจาลตกลงผมไม่อยาไปเอาไมายาไปสบานได้นะได้สบานได้เต็มที่เลยเอาจะเอาไงก็เอามันน่เอาละผมจะเป็นผู้สบานยายครับถ้าผมเอาไปจริงอะขอยฟ้าพาให้ฟ้าผ่าเลยนยะ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 สบานเนี่ยเดี๋ยวก็นัางแล้วก็เป็นคองยายก็คงไม่เป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นเด็ในเวลาการต่อมาเนีมาที่นี่และเราก็อยู่ที่นั่นลากะทางยายและยังไม่พอสบานอีกยายห้กัอบข้าวไปถวายพระหวานเทาหนึ่งเาวาเทาหนึ่ง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 งงจีนน้ำพริกและน้ำยาแล้วก็ทำนมประกริมไข่เต่าแกงบอนโยมทางแกงบอนเป็นไหมเป็นเหรอเคยแกงหมโโอยายเนี่ยแกงเนี่ยเปลี่ยนมากมีงานเนี่ยแกงมอโมเลเลยนะไม่ใหญ่นะกินหมดเลยบักยาแยกระอย่างนี้ที่ย์เลื้ยงายหาหมดเลยขอผมแต่งเอง แกงเนี่ยแกงให้มันมีรสอร่อยกันนีดหน่อยนี้มันจะได้ไม่เปลี่ยนแกงให้มันทันเข้าไว้ก่อนอ่าอแล้วเราประกาศว่าใครกินแกงบอลของเราถ้าบ่นว่าปากทันแสดงว่าคุณนั้านปากบอนเลยเลี้ยงไปไม่มีใครคานบอกเป็นายแกงคันไะเงียบมันกลัวว่าปากบอลเนี่ยก็เหลือตั้งครึ่งหมอ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 เข้ากลา้แผ่เมตตาเสียก่อนความเกลียดจะได้ออกไปความรักเข้ามาแทนที่สร้างความดีต่อไปถึงได้ผลธรรมาเกียดพระมาตั้งแต่อยู่วัตโนดโนอกในสวนกรงเทพของเจ้าหนานนะไม่ชอบพระแต่แล้วเราก็ต้องมาเป็นพระอย่างนี้อโยมเหมือนกันนะนาอย่างนี้เออไม่มาถามสามีแล้ว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 เอ้ยายดิอย่างไหนจะรีบเอาพรไปข้างไหนอันนี้เนเราก็บอกยายใจเย็นๆถอนผมออมาให้หมดแล้วสมพานอยู่ด้วยคุยสมพานต้องนานเนี่ยมาไวๆมาไว ๆ, ๆพอขึ้นบ้านแลยตายหาเลยสมพานนั่งบนบ้านเราเสมพานอยู่บนบ้านเรามาไม่บอกเราเลยเนีย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 แล้วเราก็ชนต้องลงมาเรื่อๆ เ, เนี่ยพอมาถึงบ้านตายหาเลยย้ายบกักเจอชุ่มานมาเจอผมรับพรมาต้องหลายบทมาไวๆมาไวๆมาไวๆบอกขึ้นเรือนหนะ้าตายหาชมพานนั่งยืนเลยเนีเลยชมพานก็บอกยมอย่าไปตีมาเลยสั่งมาเนอะธรรมาขอมิจฉาบาปว่าท่านก็นลงเรือนไปเลย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 นี่เป็นกฎแรงกรรมที่เราทำไว้อย่างนั้นเองอขอเจริญพรอย่างนั้นแต่เราไมา่ยงมเจริญกรรมาฐานก็แย่และในเวลาการต่อมาเรามาบวชเท่าไหร่จึงได้รู้อะไรเป็นอะไรขึ้นแล้วมานั่งเจริญกรรมาฐานสติก็จะบอกว่าวันที่14ตุลาเนี่ยท่านตองมรณภผพลดชวงคอหกักไปได้